มันเป็นความปรุงแต่งแท้แต่ใจก็เข้าไปน่ะลมรำพันตูรูไปครุกคลีนะจนหมดเนื้อหมดตัวก็เกิดขึ้นบ่อยขยันกับขยันรู้ตัวนะมันก็มีหลังง่ายๆนะเรื่องการทาความรู้ตัวหรือการเจริญสติเนี่ยก็คือตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นนะถ้าตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ให้ใจอยู่ตรงนี้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 ในความเคยชินของเรามันเป็นความเคยชินในลักษณะที่ทําให้หลงเข้าไปในความคิดนิสัยใจลอยนะมันก็ทําให้เราไม่ค่อยรู้นรู้ตัวเท่าไหร่สามารถจะทํางานทําการได้นะแต่อย่าไปเข้าใจว่าเวลาเราทํางานทําการเช่นขับรถับขับรานเนี่ยมันแปลว่าเรารู้ตัวอยู่เสมอไปมันก็ไม่ใช่นะ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 พระอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามโยมว่าเนี่ยโยมจะไปไหนโยมก็บอกว่าก็จะพาพระอาจารย์กลับวัดยังไงท่านก็เลยบอกว่าไอทางไปวันนี่มันต้องตรงไปไม่ใช่เลี้ยวเนะี่ยโยมคนนั้นก็เลยรู้ตัวเลยนะเพราะว่าไอที่เลี้ยวเนี่ยก็คือเลี้ยวเป็นถนนเข้าบ้านนะ่ะจะเลี้ยวกลับบ้านนะว่าจะมาส่งพระนะแต่ว่า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 อย่างที่หลวงพ่ อ, ขอเขียนนะพูดนะขยันรู้เนี่ยขยันรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะรู้ได้มันก็ต้องหลงก่อนนะจะรู้ได้ก็ต้องหลงก่อนเมื่อคนจะฉลาดได้ก็ต้องโง่ก่อนนะเราหลงไปปุ๊บเรารู้แล้วอ่าหลงไปสักพักเอารู้ลล้วนะความรู้มันเกิดขึ้นหลังจากที่หลงไปแ ล, <c oughs> แล้วเพราะฉะนั้นเวลาหลงไปก็อย่าไปหงุดหงิดอย่าไปตีอกชกหัวนะ อย่าไปํำคาญนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะสร้างตัวรู้ขึ้นมานหะลงก่อนจึงค่อยรูนะ้ง่อก่อนจึงค่อยฉลาดนะเราะนั้นมาหลงไปก็ไม่เป็นไรนะคอ้รู้ขอยรู้บ่อยๆหลงสิบครั้งก็รู้สิบครั้งนะมันดีกว่าหลงครั้งเดียวแล้วก็รู้ครั้งเดียวนะบางทีหลงครั้งเดียวแต่หลงยาวเลยนะ ทั้งชั่วโมงเนี่ยหลงอาจจะสักห้าครั้งนะแต่เนี่ยแต่ละครั้งนี่ยาวนะยาวเป็นสิบนาทีเลยขณะที่หลงอ่าสามสิบครั้งนะในหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็สามารถที่จะรู้ทุกครั้งที่หลงนะสามสิบรู้นะในหนึ่งชั่วโมงอันนี้ดีกว่านะมันหลงปั๊บเดียวก็รู้แล้วดีกว่ารู้น้อย น้อยครั้งแต่ว่ารู้แต่ละ ด, ดีกว่าหลงน้อยครั้งแต่ว่าห ล, ลงแต่ละครั้งยาวห้านาทีสิบนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลงสามสิบครั้งอาจจะดีกว่าหลงห้าครั้งก็ได้นะอย่าไปคิดว่าหลงน้อยครั้งนี่มันจะดีเสมอไปหนะลงสามสิบสี่สิบครั้งแต่ว่ารู้ทุกครั้งเนี่ยมันก็สามสิบสี่สิบรู้แล้วก็ การที่รู้เยอะๆก็ทำให้ความหลงเนี่ยมันหดสั้นหลงแคบหลงแคบลงเราก็จะมีนิสัยใหม่ขึ้นมาเป็นนิสัยที่รู้ได้ไวซึ่งอันนี้นก็เกิดจากการขยันรู้นะขยันรู้รู้บ่อยๆการที่เราจะขยันรู้ได้นี่ต้องต้องต้องมีอีกคุณสมบัติหนึ่งนะก็คือชอบโวยโอกาสนะ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 ทำให้ความหลงเนี่ยมันครอบงาใจนั้นไม่ใช่ขยันรู้ก็ต้องจะเกิดขึ้นน่าก็ต้องรู้จกักโชว์อกาสคือช่วยทุกเวลาพูดงาคือตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนจ น, จนเข้านอนเลยเนี่ยทุกวินาทีเนี่ยนะเราต้องโอกาสเพื่อสร้างตัวรู้หรือขยันรู้ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น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 อันนี้มันไม่ถูกนะมันก็ทำให้ใจเนี่ยนะไม่รู้ตัวว่ากาลังล้างหน้าอยู่ความรู้สึกตัวมันก็พร่องหายไปเราจะรู้สึกตัวได้บ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าเราพยายามที่จะเอาใจใส่ลงไปในทุกในทุกกิจกรรมนะไม่เลือกว่าจะเป็นเวลาใดไม่ใช่ว่าเฉพาะเวลาที่มาเข้าคอสมาปฏิบัติธรรมเท่านั้น นะแม้แต่เวลาที่อยู่บ้านอยู่กุฏิอยู่ที่พักทุกเวลาอยู่บนถนนนะนั่งรถนะก็ต้องใช้โอกาสนี่แหละสร้างตัวรู้ขยันรู้ขึ้นมาระหว่างที่นั่งรถอาจจะครึงนิ้วไปนะครึงนิ้วไปให้รู้สึกเบาๆนะไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่ง ระหว่างที่รอเพื่อนนัดเพื่อนไว้เพื่อนยังไม่มาแทนที่จะปล่อยใจให้หงุดหงิดหัวเสียหรือกังวลว่าถ้าเพื่อนมาสายมันจะผิดมันจะเสียงานเสียการอันนั้นมโนนะมันยังไม่เกิดขึ้นเลยเราก็ทำให้กลุ้มใจทำให้หงุดหงิดทำให้เป็นทุกข์ก็ใช้โอกาสใช้เวลาที่รอเพื่อนนี่แหละเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวไปนั่งรถ เราเป็นคนนั่งเนี่ยระยะทางก็เป็นร้อยกิโลหรือว่าอาจจะไม่กี่กิโลแต่ว่ารถติดขนาดติดแน่นขนาดอ่าเราก็แทนที่เราจะปล่อยใจให้งุญหงิดนะกับสภาพรถติดนะเราก็ทำความรู้สึกตัวไปเมื่อจะเกิดความงุญหงิดขึ้นมาเกิดความกังวลขึ้นมาก็ก็ใช้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 มันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะมันมีให้ให้เราดูมันมีให้เราเห็นอ่าอันนี้ก็ถือว่ามันมีประโยชน์อารมณ์พวกนี้มันมีประโยชน์เหมือนกันนะความเครียดความกังวลความกลัวเนี่ยประโยชน์อย่างนี้คือมันมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้มีสติรู้ทันนั่นจะไปหงุดหงิดหัวเสียจะไปหงุดหงิดนะที่ใจมันฟุ้งบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าปฏิบัติแล้วนั้นต้องให้ใจสงบ พอมันคิดฟุ้งซ่านคิดมากคิดหมาย ก, ก็หงุดหงิดลำคาญพยายามไปกดขม่มจิตพยายามห้ามความคิดยิ่งทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งฟุง้งจิตเนี่ยมันไอความคิดเนี่ยมันยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยู่นะไปกดขม่มอารมณ์ใดก็ตามไปกดขม่มความคิดใดก็ตามเนี่ยมันก็ยิ่งพยายามที่จะท้าทายนะรังควานหรือว่าร ก, กวนเรามากขึ้น คนที่พยายามกดข่มความคิดนะ่ะยิ่งทำไปก็ยิ่งเครียดยิ่งหงุดหงิดสุดท้ายก็เกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหายใจไม่ค่อยออกแน่นท้องเนี่ยอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาการที่ฟ้องว่าไปเพ่งไปบังคับจิตเนี่ที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าไปมองว่าไ อ, อ้อารมณ์หรือความคิดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ดีมันต้องกำจัด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 หรือว่าเราเพลินไปกับมันจนหลงนะมีนักปฏิบัติบางคนนะอย่างเช่นพระบางรูปเนี่ยหลวงพ่อผมเขียนนั่งเคยเล่าก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็อาจริงเอาใจการปฏิบัติมากนะแต่ว่าก็ทําด้วยหน้าอาการหน้าดําคล้าเคร่งนะเพราะว่าจะเอาให้ได้จะเอาความสงบให้ได้นะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดแต่มันก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่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 แล้วยังไม่รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นตามมามันก็เลยลงเอ่ยนะลืมตัวนะเอารองเท้าแตะฟาศีษะอยากจะได้ความรู้สึกตัวแต่ลงเอ่ยด้วยนะความลืมตัวเนี่ยอันนี้เขายึดมั่นถือมั่นนะท่าสุภง่ายๆ่ายยิ่งขยันรู้วไว้นะอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะอะไรเกิดขึ้นที่ใจดีหรือล้ายก็รู้บวกหรือลบก็รู้นะ อันนี้หล่เวทนาด้วยสุขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายสุขเวทนาขึ้นที่เกิดขึ้นกับใจก็รูนะ้ยินดีก็รูนะ้ยินร้ายก็รู้ปวดก็รู้นะไม่ปวดก็รู้นะเวลาปวดเมื่อยแล้วพอค่อยเยี่ยงขยมามสบายก็รู้นะนี่เราจะขยารู้บ่อยๆก็อย่างที่ว่านะต้องหมั่นช่วยโอกาสนะใช้ทุกเวลาใช้ทุกเวลา ที่มีอยู่นะในการสร้างตัวรว้เกิดขึ้นและยิ่งดีกว่านั้นถ้าหากว่าเรารู้จักช่วยทุกเหตุการณ์ด้วยทุกเหตุการณ์นะไม่ว่าดีหรือร้ายนะไม่ว่าเจริญหรือเสื่อมนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็มาใช้เพื่อการสร้างสติทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นมีเสียงกระทบหูนะเกิดความไม่พอใจนะอันนี้ก็ต้อง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 ไม่ว่าจะเป็นรูปบวกหรือรูปลบรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจรถที่น่าพอใจรถที่ไม่น่าพอใจอันนี้เนี่ยนะมันก็ก็ก็จะเรียกว่าจะช่วยการปฏิบัติของเราเนี่ยเจริญนะงอกงามมากขึ้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนพระรูปหนึ่งนะที่จริงก็ตรัสสอนพระ หลายรูปในเวลาเดียวกันแหละแต่รูปหนึ่งในที่นั้นคือพระนันทิยะพระนันทิยะนี้ตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์แต่ตอนที่ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งมามาหาท่านเป็นพระนว ก, กะชื่อองค์คุลีมานองค์งคุลีมานี่ก็เป็นผู้ใฝ่ธรรมนะก็มามาสอบถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแก่ท่านพระนันทิยะก็ก็พูดนะ ขายทอดคําสอนพระเจ้าเนี่ยมาประโยคหนึ่งประโยชน์นั่นคือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสอนว่าผู้ใดที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารมและอนิถารลมพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญพุทธาเป็นบัณฑิตผู้ที่รู้จักหาประโยชน์นะจากอิทธารมและอนิฐารมพระผู้มีพระเจ้าสารเสริญพุทธาเป็นบัณฑิตน อิทธารมก็คือรูปรกิรเสียงนะที่น่าพอใจอ น, นิถารมก็คือรูปละกินเสียงที่ไม่น่าพอใจรวมหนึ่งเหตุการณ์ด้วยนะเหตุการณ์ที่ดีก็เรียกวอิทธารมเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะที่อ่เช่นเสริมราบเสื่มยศนะถูกดินทาหรือว่าเจ็บป่วยนี่อันนี้เรียกว่าอนิฐารมมันมีประโยชน์นะถ้ารู้จักมอง แล้วรู้จักหาประโยชน์อันนี้ก็เลยเป็นการชวยโอกาสนะอิทธารลมอา น, นิถารมมันมักจะเกิดขึ้นใยที่เราควบคุมไม่ได้นะแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นอา น, นิถารลมเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจนะแต่ว่าเราก็ไม่ปล่อยให้มันกระทํากับเราจกนกระทั่งเกิดความทุกขนะ์แทนที่จะทุกข์พะถูกต่อว่าดาทอเออก็หาประโยชน์จากมัน เวลาประสบพบเห็นงานการมีอุปสรรคนะก็แทนที่จะเสียใจท้อแท้ก็กลับรู้จักหาประโยชน์จากมันอย่างเช่นพุทธเจ้า ก, ก็บอกพระนันทิยะและพระนันเชียรก็มาเล่าให้พระองคุลิมานฟังว่าเนี่ยเวลาทํางานทําการอะไรประสบความเสื่อมนะหรือว่าความไม่สําเร็จขึ้นมาก็ให้ถือเหตุการณ์เหล่านั้นว่าเป็นเครื่องกระตุ้นให้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 แต่ก็ไม่ใช่หลงยินดีนะจนกระทั่งประมาทก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เกิดกำลังใจในการทำความดีมากขึ้นผู้ง่ายคือสำเร็จก็ได้ประโยชน์นะไม่สำเร็จก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์อย่างหนึ่งคือกระตุ้นให้ทำความเพียรมากขึ้นหรือว่าทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามีความผิดพลาดอะไรทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นนะแม้กระทั่งความเจ็บไข้ได้ป่วยนะ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 เอ่าหน้าพิศวงมากแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยโรคมะเร็งน่ากลัวกว่าโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าเนี่มันทําให้เธอเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายมาสามครั้งแล้วอผู้ยหญ่คือทําไม่ไม่เป็นมะเร็งเนี่คนยคงจะอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะฆ่าตัวตายเนื่องจากโรคซึมเศร้านะแต่พอเป็นมะเร็งนี่ซึมเศร้านี่หายเลยเธอบอกว่าเนี่ยมะเร็งมันทําให้เธอมี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 แต่พอได้รู้จักมองเออก็เห็นนะมะมเร็งมีประโยชน์นะแต่บางคนแม้ไม่เปน็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแต่ว่าก็ได้ประโยชน์จากมะเร็งในลักษณะอื่นมีนักศึกษาคนหนึ่งเนะี่ยมาเป็นลลวคิมเมียนะอยู่ปีสองปีสามหรือเกิดไปจ์แล้วก็เป็นลลวคิมเมียก็ทุกข์นะอยู่อยู่พักหนึ่งนะแต่ตอนหลังก็สามารถจะอยู่กับลลวคิมเมียได้งมีความสุข เขาบอกว่าเนี่ ย, ยโลกมะเร็งเนี่ยหรือคีเมียเนี่ยมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยมันนำสิ่งดีๆมาให้กับเชื่องเขาหลายอย่างอย่างแรกคือทำให้เขาได้รู้จักพุทธศาสนาแล้วก็เห็นคุณค่านะของพุทธศาสนาแต่ก่อนคงจะนึกว่าพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องพิธีกรรมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายนะแต่พอป่วยแล้วแล้วก็มีคนอานหนังสือธรรมะมาให้อ่านเอะ ไอ้ความป่วยก็ทําให้มีเวลาอ่านหนังสือแต่ก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจหนังสือนะเพราะเอาแต่เที่ยวเล่นกินดื่มเที่ยวนะตามวิสัยวัยรุ่นแต่พอป่วยแล้วก็เออมีเวลาอ่านหนังสือธรรมะก็ได้เห็นนั้นได้รู้จักพุทธศาสนาประการที่สองคือมันทําให้เขาได้เห็นได้สัมผัสกับความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ไอ้ตอนไม่ป่วยนี่ก็อยู่เหินห่างกันนะพ่อแม่กับลูก พ่อทำงานแม่อยู่บ้านลูกอยู่หอพักเนะี่ยไปคนละทิศคนละทางตามวิสัยคนกรุงเทพแต่พอป่วยแล้วพ่อแม่ก็มาดูแลนะมาดูแลใกล้ชิดก็เห็นความรักทราบซึ้งใจในความรั บ, บริสุทธิ์ของพ่อแม่ค่อยสานคือมันทําให้เขาได้รู้จักคิดนะแล้วก็มีเวลาไต่ตองเรื่องชีวิตเนะี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าให้เป็นมะเร็งนะก็คงเหมือนกับชายหนุ่ม อายุ21นะทั่วไปคือว่านอนหอพักตื่นบ่ายสามเหลือหนังสือนิดหน่อยก็หรอกินเหล้ากับเพื่อนเที่ยวสักพักก็นอนเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยไม่มีสาระเลยนะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงใช้ชีวิตแบบที่ว่าไม่ไม่รู้จักคิดนะไม่สนใจคนอื่นอยู่อย่างประมาทไม่ระมัดระวังแต่พอเป็นมะเร็งปุ๊บนี่มันเปลี่ยนไปเลยน อันนี้เรเป็นคนที่รู้จักหาประโยชน์นะจากจากอนิจฐารมนลมคือหาประโยชน์จากเหตุร้ายนะก็ก็สอดคล้องกับที่หลวงพ่ อ, ขอเขียนพูดนะว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหรือนักภาวนาเนี่ยต้องรู้จักโชว์อกาศโชวโอกาสนะช่วยทุกเวลาช่วยทุกเหตุการณ์นะไม่ว่าดีหรือร้ายเจริญหรือเสื่อมเนะี่ยไม่ใช่โ่วโอกาสเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเอาเปรียบใคร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 ทรัพ ส, สมบัติเนี่ยมากมายเนี่ยตอนที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ปีห้าสี่หลายคนเนี่ยพอสูญเสียทรัพแล้วโอ้กุ้หมากุ้ใจเสียทรัพย์ไม่พอนะซ้ําเติมตัวเองด้วยการเสียจริตนะคือเป็นโรคประสาทไปเลยบางคนหนักกว่านั้นนะเสียทรัพไม่พอเสียจริตไม่พอนะเสียชีวิตด้วยคือฆ่าตัวตายอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนะแต่ว่า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 ถูกไฟไหม้เนะี่ยเป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าเธอได้ประโยชน์ณจากเหตุการณ์นะจากสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมไฟลบนะก็คือเสื่อมเสื่อมลากนะแต่ว่าได้ปัญญานะได้รู้เห็นความจริงนะก็ทำให้ความหลงมันหมดไปนะทีละน้อยทีละน้อยนะอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยหลงมันมีสองอย่างนะคือ ไม่รู้ตัวนะกับไม่รู้ความจริงนะเราสามารถจะใช้ทุกโอกาสในการเติมตัวรู้ให้มากขึ้นทำให้รู้ตัวมากขึ้นหรือมิฉะนั้นก็ทำให้รู้ความจริงของโรคของชีวิตมากขึ้นโดยเพราะ ه, เรื่องความไม่เที่ยงความที่ทุกอย่างมันต้องเสื่อมดับไปเวลาเจ็บป่วยก็นะหาประโยชน์จากมันให้ได้ว่าความเจ็บป่วยกาลังบอกอะไรเรา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 แก่ชราแล้วก็ตายเลยแล้วแก่บางทีก็ไม่ได้แก่ถึงขั้นชราด้วยนะเพียงแค่แก่ตามวัยแล้วก็ตายแล้วก็มีแต่ถ้าป่วยก็ยังดีนะที่เออได้มีเวลาได้มีช่วงเวลาที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะบางคนไม่ทันได้ป่วยนะ้วก็ก็ตายอย่างที่ว่าอาจารย์พุทธาธรรบอกเนี่ยความป่วยธราบอว่าป่วยทุกครั้งก็ให้ชลาดทุกครั้งนะป่วยทุกครั้งก็ให้ชลาทุกครั้ง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 ก็คงจะรู้สึกว่ามันซวยเหลือเกินนะทําไมต้องเจอคลอซ้ำกรรมซั์แบบนี้อาจจะตัดเพาะว่าทําบุญทํากุศลมากมายทําไมถึงต้องมาเจอแบบนี้ทําไมบุญไม่รักษาทําไมธรรมะไม่คุ้มครองนี่ไปกันใหญ่เลยบางทีอาจถึงขั้นว่าตอบไปนี้ไม่ทําบุญแล้วต่อบไปนี้ธรรมะไม่เอาแล้วคนแบบนี้ก็มีนะ ยิ่งเป็นการซ้ําเติมตัวเองปิดโอกาสที่จะได้ได้พบสิ่งดีๆนะจากธรรมะแต่พี่ชายวั น, นี้แกคิดอีกแบบนะแกไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีคนถามก็ว่านะีคุณรู้สึกยังไงนะที่ภรรยาทิ้งไปแก ต, ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะคุณคิดดูสินะขนาดขาสองข้างนี่มันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะเขาไม่ทุกข์นะที่เมียทิ้งเพราะว่าเขาได้ได้ปัญญา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 ตายแต่ถ้าเกิดยอมรับความจริงว่าเอิอขาไม่ใช่ของเรานะมันดูแลเรามันรับใช้เราเท่านี้ถึงตอนนี้มันไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วก็ต้องนะต้องทิ้งไปนะก็ไม่มีความทุกข์อะไรยิ่งถ้าหากว่ารู้จักโชวโอกาสเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เออเขาสอนเรานะขานี่ก็สอนเรานะไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยขาแม้กระทั่งขาแท้ๆอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดก็ยังไม่ใช่ของเรา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 อิเดียบทในชีวิตประจําวันทั้งกระแสเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าบวกหรือลบนะดีหรือร้ายเจริญหรือเสื่อมนะสุขหรือทุกข์นั้นล้วนแลแต่มีอะไรให้ล้วนแลแต่สามารถเปิดใจเราให้ได้เห็นความจริงนะของชีวิตนะชนิดที่ถ่วยทําให้ความหลงมันหมดไปนะซึ่งก็หมายถึงอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขนะเอาคําที่พูดกับท่านนี้นะกราบครับ